สำหรับตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงพื้นฐานใ น, นการปฏิบัติลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเริ่มรวบรวมกําลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมื่อกําลังใจรวบรวมเป็นสมาธิเป็นทรงตัวคําว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปนนั่งขนาดไม่ให้ใจเลย แล้วก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบารมีสิบเป็นต้นว่ากำลังจิตของเราเนี่ยพร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปราถนาการสะสมอยู่นั่งไค้ครวรจิตของตนดูสิ่งของเราข้อไหนบกพร่องบ้าง งันดูนนคธรรมะถือว่าเวลานี้เราถือบทเรื่อบทเพื่ออะไรเราบวชเพื่อตามคําปฏิญาณว่านิพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังไหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัเพื่อทําให้แจ้งสังภณิพานทางใดหนอที่จะเข้าถึงสังภณิพานและทางใดมันจะตัดนิพานทางนั้นทิ้งมันไปเสีย เรยกำหนดจิตเฉพาะทางพันิุพาน์อย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องกันห้าที่มันเป็นทุกข์ควรหาอาการที่เหตุให้เกิดถึงความทุกข์ความหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังในการดับทุกข์ตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยัง ความเพียรคืออารมณ์ในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออํำนาจของกิเลส ท, ที่เข้าม่ยุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้อตานความดีของเราศัจญาทรงความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราอยากจะใช้วิธีการต่อต้อตานกิเลส ท, ทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าหัวใจของเราอดีฐานตั้งใจไว้มั่นว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็เชิญให้มันตายไปชีวิตไม่มีความหมายถ้าชีวิตของเราอารมณ์จิตมันจะทรงความเร็วอยู่นี่มันไม่มีความหมายให้มันตายไปเสีเมตตาอารมณ์แห่งการสงเคราะห์จะมีอยู่กับเราเสมอเมตตาตัวนี้นะระวังให้ดี พระที่บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ่ะผมจะจัดให้อยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนถือว่ามีอารมณ์มเสมอกันนี่ผมจะให้อยู่ด้วยกันในวันหน้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็จะเชิญออกจากวัดนี่ไปเลยเพราะอะไรเพราะพระยังมีอารมณ์เลวอย่างนี้มันก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรกันอุ้มเบค้าเราต้องวางเฉย ต่อเรื่องเขาขันห้าทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่อโลกกระททั้งหมดเยาวจิตเข้าไปสนใจกับโลกกระทนี่อารมณ์ที่เราต้องทรงเป็นประจาทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดและก็ในด้านจรณะสิบห้าจรณะสิบห้านี่มันต้องครบจอยตลอดเวลา ไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอบวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันสีพผเหลืองสึกไปกับเปลืองพลายบวชเพื่ออาศัยาาศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันทันทีสำหรับเจริญนาทิพันธ์นี่ต้องคุมตลอดเวลาอื่หนึ่งศีลสมถะถึงพร้อมได้ศีนศีลต้องไม่บกพร่องสองอินทรีย์สงวร สัมรวมตาหูจมูกลิ่นกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่น่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสใช่อะไรขันติกบาเบขาในบารมีสิบถ้ามีอยู่แล้วมันส่งได้ถ้ามีปัญญายอยู่แล้วมันก็ส่งได้นี่ถ้ามีบารมีสิบของนั่นหลายเ่านี่ไม่ยุ่ง สามโพยเนมตันยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่ลบในอาหารและก่อนจะกินก็ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรเบริโกูเดสญญาเป็นปกติอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอาหารอยาติดในกลิ่นอาหารจะติดอยากกินเพื่อความอุ่นพีอยากินเพื่อความหอมใส อย่า ก, กินเพื่อหมายอย่าังกินเละให้เกิดขึ้นกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นอยู่สัตว์ว่าการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นจะแตกออกไปเจ้าของบอกอันนี้อร่อยค่าน่าอร่อยครับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่า ก, กินของที่ใช้คําว่าอร่อยอย่า ก, กินเออมันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินเสียกินอย่างอื่นต่อไป กินอย่างโจระเคชาคิยานิยคประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเปนเครื่องสอนอยู่เป็นปกติที่ห้าัศทาความเชื่อต้องใช้ปัญญา อย่าเชี่ยวส่งเด็กใครก็สอนมาเขาแนะนํามาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าปัญญาพิจารณาดูว่าคําสอนเนี่ยเป็นผลแห่งความดีเป็นผลแห่ง ค, ความสุขหรือเป็นผลความทุกข์เป็นเครื่องตักกิเลสหรือเปล่าฮีริอายความชั่วอัตตปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ พระหูสัจจะตั้งใจจำจำแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยตามแบบรูาา้ศึกษามากฟังมากไอ้ฟังมากศึกษามากแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่ปัญญาพิจรนารณาเนี่ยมันแบบมันแบบทรงความเป็นสัตว์นรกเอาไว้อันนี้ไม่ใช่วิริยะความเพียรมีแล้วในบารมีสตินึกไว้เสมอว่าเราบทเป็นพระเพื่อหวังพระนิพพาน เราต้องการพนิพาณปัญญามีเวแล้วในบารมีสิบรู้สภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าไม่โมเมาในคันห้าตัดคันห้าทิ้งไปใช่อารมณ์ตัดไว้เสมอพอทุไมชาญชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สี่พยายามทรงชันไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามจริต ถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้นก็ใช้กายยกตาโนสติกาสุปกรรมฐานตัดมาเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความพยายมบายเกิดขึ้นแล้วก็ใช้พรมิหารสีหรือว่ากสินสีคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมาเสียถ้าอารมณ์มันงุน ง, งานตัดสินใจอะไรไม่ลงได้กะโมหจริกกตกวิโตกจริต ก, ก็ใช้อนาปานุสติโดยเฉพาะ อย่าไปใช้คำภาวนามันจะยุง่งแค่เดินนับก้าวนั่งนับโลกระคำนั่งนับกรวดทับทายก็ได้มองอะไรเมื่อโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุ ก, ก็ได้ถ้าศรัทธาจะริกเกิดขึ้นก็จับอนุสติหกประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติชาคานุสติเทวตานุสติ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นศรสนาพ่อรมันโฟมันต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเจริญฉลาดมีอารมโปร่ก็ใช้มรณานุสติอาหาเรปดีโกรสัญญาจจตุธาตุทัทนเสวะฐานสีอุปสมานุสติแต่หากว่า น, นิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์ ตัดด้วยการภาวนามันทรงตัวช้าก็ตัดไปด้วยพระกรรมฐานกรมะฉันทะตัดด้วยอสุปรกรรมฐานกายกายกะตาโนสติความโกรธความเย่ บ, บาดก็ตัดด้วยพระมีฐานสี่และก็เราสินสีตามที่กล่าวมาความม่วงเกิดขึ้นเดินเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเสียใช้วิธีจงกรมมันทนไม่ไหว ฟังเสียงให้หลับไปในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคสมองสั่ส์เปิดบันทึกเสียงแตาอารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปกับเสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันไร้ไประโยชน์นีอารมณ์ฟุง้งซะอ่าอารมณ์ฟุงฟ้งั่นก็ใช้อนาปานุสติเดีว่าเนี๋ยหาวิธีการแก้อารมณ์ฟุง้งซ่านมันสั้นจริงๆโดยเฉพาะก็ เปิดแผ่นบันทึกเสียงฝังตามที่เราชอบใจอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นก็หาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าเต็นเท็จถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงไหมหิวเป็นทุกข์จริงไหมหนาวจัดเป็นทุกข์จริงไหมร้อนเป็นทุกข์จริงไหมปวดเมื่อยเป็นทุกข์จริงไหมความปรารถนาเป็นทุกข์จริงไหม ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกจริงไหมเวลาจะตายทุกเวทนาบีบขั้นหนักนี่เรายังไม่ตายไม่ต้คิดก็ไดใช่อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติลืมตายขึ้นมาเวลาเช้าจงอย่าลืมบรารมีสิบประการและคุมบรารมีสิบประการไว้ตลอดวันในขณะที่ท่านตื่นอยู่ แล้วใช่อารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีริชันคาถาพักงดไปเลยเด็กขาดยาให้มันมีแล้วก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดมันทิ้งไปเราตายล้วแบบไปได้ไหม อย่าไปแบกความโง่อยู่ดิแล้วเข้าบวดเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสน า, า, สญญาแนวต่อไปเว ล, ลาจะเดินปฏิบัติหรือจะไปไหนก็ตามห้าอารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจนี่มันทรงตัวอยู่คือพิจรารณาเห็นความทุกข์ ความทุกข์ที่มันมีอยู่น่มันทุกข์เหลือหลายใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงๆว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาหาความทุกข์ไม่ได้เกิดมาหาความสุขมันทุกข์จากอะไรทุกข์จากอำนาจคนรคกความรักรักในรูปรักในเสียงรักในกลิ่นิรักในรสรักในสัมผัส ผูพกพันในบุคคลสัตว์และวัตถุแล้วนั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปได้วยความทุกข์การท่องประกอบปีกไก่งานเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบิณทบาทก็เพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบิณทบาทพ่ออะไรก็ไม่อย่างนั้นความหิวมันบีบคั้น การเดินไปมินาบาัยก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแทนที่จะ น, นั่งสบายนอนสบายมันก็ต้องเดินไปเล้วเวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกก็ อ, อะไรอาหารที่มันคนกับเราหรือไม่คนกับเรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่าง น, น้นถ้าไม่ได้ตามความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมันเสีย ว่ า, าการของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมยอะพูดให้ฟังได้ย่อๆเพียงแค่คำข้าวคำเดียวการรับคำสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกคือเรากินทุกถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เพ้าะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสร้างหลับธรรมนี่มันเป็นอาการของความทุกเวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือผมและท่านเข้านิพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งเรื่องความกินของเราความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้ ก็ น, นี้เรามันเลวเสื่อเกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกิเลสตัณหาอุปาทานและขุศลกรรมและแเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินแต่กินไปแล้วร่างมือร่างปากมันเหม็นในของที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมันสะอาดและสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆแล้วก็จะเปลร่างปากร่างมือมันทำไม เป็นอันว่าเรากินของทุกข์เข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสุขกระปรกเข้าไปร่างกายมันก็สุขกระปรกสําหรับข้าวสุขที่จะเป็นเข้าสุขได้มันเป็นข้าวสารมาก่อนกว่าจะเป็นเข้าวสารต้องซ้อมต้องสีต้องตําต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นข้าวสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องเป็นทุกข์ แล้วเป็นข้าสารแล้วก่อนจะกินเขาต้องห ง, ต, ง, ห ต, งหต้องหาต้องหาเฟืนต้องหาเตาต้องหาน้าต้องหาหมอมาประกอบกิจการงานเพื่อควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุขนี่มันก็ทุกเพมันเหนื่อยผมยายพูดให้ฟังได้ ย, ะยะ่อๆถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าว ต้องไปทำไร่ไถนามาก่อนต้งหวานต้องคราดต้องสับตากแดดตากลมเต็มไปด้ความลาบากการกระทำอย่างนั้นมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อข้าวเป็นต้นข้าวแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังรักษาให้ยารักษาโรคป้องกอันไรา ย, ยพิ่งเกิดจะต้นข้าวมันก็เป็นการทรมาน เมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวก็เป็นาการของความทุกข์แบกหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่เข้าวฉาบได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นทุกข์นี่ท่านรสร่วมไปว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ในน า, นานในก่อนที่มันจะเป็นนานมันเป็นป่าชัดต้องไปฟันต้นไม้ท่านลองนั่งนึกซิวไอ้ฟันต้นไม้ทีละต้น มันเหนื่อยหรือมันไม่เหนื่อยต้นไม้โคนมันแล้วต้องบั่นเป็นท่อนลากต้นไม้ไปเพื่อพ้นพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนโคนต้นไม้มันแล้วก็ต้องขดต่อไอ้นาเดียทําข้าวมาขอกินเนี่ยมันใช้โค่นต้นไม้ต้นเดียวพอไหมต้องโคน่นกี่ต้นมันเหนื่อยขนาดไหนมันลากต้นไม้ถอยต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทําเป็นคันทําพื้นดินให้เรียบ เมืทำพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทํานามาหาวัวหาควายหาไถ่หาข้าวบุก้าอุปกรณ์ต่างๆจิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยาการของความทุกข์เห็นความทุกข์ทุกอย่างก่อนจะจกินข้าวเข้าไปคําหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ลดชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงาน วัตถุแต่ใดชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางที่เราไม่ทุกข์แต่ว่าชาวบ้านเขาทุกข์เรากินทุกข์ของชาวบ้านเขาเมื่อชาวบ้านเขาทุกข์แล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ได้วยความทุกข์เราก็ต้องทำตัวเป็นปูชนียบุคคลที่ดีอย่าทาตัวเป็นเปรตเพื่อใส่เขาอยู่ที่เรียกกันว่าปรัตตุปชีวีเปรต รัตพตูปบชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเกือ้อกูลจากบุคคลอื่นมีสภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานี่ก็เปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชาว บ, บ้านเขาอยู่ได้ด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิดมันได้เพราะอาการของความทุกข์สฐานที่อยู่ของท่านอุป ก, กรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสไฟฟ้าน้าก็ดีที่อยู่ก็าตามแล้อเสียงที่ได้ฟังทาสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทำขึ้นมาได้กับว่าใสยชาวบ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมาได้ด้วยความทุกข์ แล้วท่านมันนอนอยู่เป็นกองทุกข์ของบุคคลที่เขาหวังดีแล้วท่านอย่าไม่ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าทำตัวเป็นบรัชทัตตัวประชีวีเปรตแล้วใครคนไหนเขาจะต้องการท่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองเนี่ยผมไม่พูดไม่ต้องการผมเข้าใจว่าชาวบ้านก็ไม่ต้องการเหมือนกันผมจะถือเฉพาะพระธรรมวินัยเท่านั้นเป็นเรื่องสาคัญ เรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนชนไหนก็ตามเขาจะทำบุญจากมาในการสร้างวัดมาแล้วกี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาคา้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบารมีสิบครบต้องมีเจรณะสิบห้าครบ และก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วครบอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องครบกันทุกอย่างอาคารสถานที่ที่อาศัยตามพระวินัยต้องปฏิบัติต้องอยู่อย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารแล้วอยู่อย่างบุคคลผู้อาคารในอาศัยตัวท่านด้วยวัตถุของสงฆ์ทุกอย่างยาละเลย จงจําให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนประเภทนี้นะตอนนี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถกุก็ดูทุกจากบุคคลนั้นดูความสุขกับโกรกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเข้าคงคู่กันเขาเดินไปได้วยความสุขแต้ว่าก็เดินไปได้วยความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันทางนั้น เกรงว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงจเจ้าใจออกห่างสิ่งกันและกันนี่เขานั่งเราคู่ครองทุกผู้ทุกคู่ครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกหัวห่วงเมียเมียห่วงผัว <c oughs> เกรงว่าจะนอกใจหัวห่วงเมียเมียห่วงผัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปใจทรัพย์สินไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ควร ถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยการของความทุกข์นี่มันทุกทุกอย่างมันทุกไปหมดมองให้มันดีมืมองเห็นคนเป็นทุกมองเห็นวัตถุเป็นทุกแล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาดหรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกก็มองข้างใน ว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความสะอาดและเต็มไปด้วยความสุขปรกคนสวยที่เขาต้องการประคับประคองกันมันน่าประคับประคองตรงไหนมันไม่มีอะไรที่จะควรแก่การประคับประคองเลยเพราะสภาวะของเขาเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับถุงอุจจาระไอถุงเลืดไท่ที่มันเต็ ม, มไปด้วยจาระ มันเป็นของเหมือนมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่าอาภาพแพลหโ อ, อจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกใหม่สวยก็แสดงว่าอาภาดิบมาห อ, อจาระหรือว่ากรสอบหอจาระ <c oughs> คิดถึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาให้อารมณ์มันสรงตัว แล้วคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเข า, า, าก็ดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดไอเดินแก่เราทราบแล้วในที่สุดมันก็ตายทําอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอย่าสนใจการ น, นินทาด่าสังสาคํานินทาและสังเสริญอย่าสนใจนรื่โลกกระทำทั้งแปดรายการอย่าสนใจ มันจะมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอามเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นขันสารภาวะคันธทุระทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราเมื่อทําทไปเดี๋ยวมันก็พังทําไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทําทําด้วยอำนาจของเมตตา สงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านพิสุสมณเนรที่จะมาทีหลังทำโดยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเฉยเรื่องคำชมของบุคคลอื่นนาะยยกเว้นใช่ใครเขาจะว่าดีกว่าฉันใครเขาว่าั่ว่กว่าฉันเราทำให้มันถูกตามระธรรมมาวินัย เราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพานัาสสัชิกิริ ย, ยายะเอตังกาสาวังไเอต ว, วาข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งนิพพานอารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพพานใครเยอะจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่างใครจะหาว่าคนสมัยนี้ถึงนิพพานแล้วไม่มีก็ช่างมันเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเรา เราต้องการพระนิพพานถ้ามันไม่ได้ชาตินี้มันก็ได้ชาติต่อไปถ้าเราบวชมาไม่บวชเพื่อนิพพานแล้วก็บวชเพื่อเป็นสัตว์นรกถือว่านิพพานไม่มีแล้วฌานสมาบัตไม่มีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าไม่มีแล้วทําไมมันจะไม่มีในเมื่อพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เรียกว่ามรรคแปดเกียิสีสมาธิปัญญามันยังมีอยู่ แล้วทำไมความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นชานสมาบัติขัมมณิพนธ์ทำไมจริงะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทําตนเป็นป ร, รัตถะตูประชีวิประเสริฐวยเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สิ่งของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาโดยยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้น แอาละสำหรับคาเสดหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดปุะแล้วนี่ยี่สิบเจ็ดนาทีสเสษคอยรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไป